เจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัตในเสขียกันละเจ็ดปาทุกวกัตรละสิกขาบทที่สิบห้าถามเพราะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ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 ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้กาตาปติวาระที่สองจบ